น้อมน้อมต่อคุณพรัตนาไตรโคลกาเกสเพื่อนสามีทุกท่าน <c oughs> จเจริญธรรมมาชีและยาติธรรมทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะใครจะนั่งแล้วรู้สึกตัวไปด้วยก็ได้เนาะเอาการปฏิบัติธรรมเป็นหลักแล้วก็การฟังเป็นรองเนาะครั้นี้เ ร, <c oughs> เราก็ได้มาปฏิบัติธรรมศึกษาพระศาสนากันนะ จุดหมายคืออะไรเนาะประการแรกเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไหม อ, อย่างที่เราได้สวดธรรมประชาไปแล้ว <c oughs> ความทุกข์นะประจาสังขารเราคือเมื่อเรามีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนาะมีความทุกข์ในขันทั้งห้านี่แหล ะ, ะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดด้วยว่าชาติปีตทุกขา์าความเกิดกเป็นทุกข์ ชลาปีทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขะโทมณ ส, สุปายาสาปีทุกขา <c oughs> ความโศกความร่าไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแกล้ใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดพาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกเนาะเมื่อโดยสรุปแล้วก็คืออุปทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกนะทำไมไม่บอกว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะขันขันห้านี่หมายความว่าอะไรก็คือ <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะ <c oughs> รูปก็คือกายนะเวทนาสังขารวิญญาณคือใจนะทำไมไม่บอกว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายใจเป็นตัวทุกข์แต่ท่านบอกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์ก็เพราะว่าเรามีประธานนะอุปทานยึดในขันธ์ทั้ง5้านี้เราเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานเมื่อเรายึดเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิธรรมนี้มันเป็นการปฏิธรรมเพื่อให้ออกจากการยึดมั่นถือมั่นในความเข้าใจผิดในความเป็นขันธ์ห้านั่นเองนะ ว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเห็นเพียงแค่เป็นรูปเป็นนามนะอันนี้เราก็จะได้ออกจากตัวตนได้ในระดับหนึ่งนะว่ามันไม่เป็นตัวตนเรานะเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองเนาะนะเพราะฉะนั้นการมาทำก็คือให้เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามนะไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนี่แหละเมื่อออกจากการยึดมั่นในความเป็นตัวตนแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุดเนาะ เพราะนั้นความทุกข์นี่ก็มีการสรุปก็คือมีเกิดจากกันทางกายและทางใจนั่นเองทางกายก็คือที่เราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์อนมามากมายใช่ไหมเรานั่งมาครึ่งชั่วโมงก็มีความปวดเมื่อยเป็นต้นมีความหนาวมีความหิวมีความง่วงอันนี้ก็คือความทุกข์เนาะแล้วก็ความทุกข์ใจนี่ก็มีนะเราก็มีความโกรธ ความรักความชังความเกลียดความมิจฉาลิษยาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวนะอันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือความทุกนั่นเองนะคือลมต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยมาจากตัณหานะตัณหามีความอยากได้เนี่ยแหละก็เลยไปจิตก็ได้ลิ่นดิ้นหลนอะไรตัวอย่างหนึ่งมีใจที่ดิ้นหลนแส่ายไปในลมต่างๆมีความเพลิดเพลินไปในลมต่างๆเป็นความปรุงแต่งตามมาจากตัณหา ต่างๆตรงนี้ก็เป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นสาเหตุการเกิดขึ้ก็คือตัณหานั่นเองนะนําให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนะ <c oughs> เพราะฉนั้นความทุกข์ในทางใจนี่มันจึงเป็นสิ่งที่นำนะํำกิเลสมาให้เรานะนะแล้วก็นําให้คนฆ่าตัวตายได้มากมายใช่ไหมนะแต่ความทุกข์ในทางกายนะมันมันไม่อาจจะ จบสิ้นได้หรอกใช่ไหมเมื่อเราเกิดมาแล้วมีความ <c oughs> แก่ความเจ็บความตายต่างๆเหล่านี้มันมันแ ค, แค่เรียกว่าเราแก้ไขไปตามเหตุการณ์เานั้นเองใช่ไหมหิวก็ไปทานอาหารง่วงก็ไปนอนเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอยุบัติแต่ก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะนี่เรียกว่าบรรเทาทุก <c oughs> ส่วนทางใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่อันตรายร้ายแรงกว่าแต่ว่าสามารถที่จะดับได้เด็ดขาดเนาะทําให้จบจบสิ้นไปได้นะนี่คือสาเหตุสําคัญที่เรียกว่า การพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะมันก็ภาหันะอราหัยนั้นก็มีความทุกข์ทางกายตามปกตินี่แหละแต่ใจนั้นก็ไม่มีความทุกข์แล้วนะพราะนั้นสามารถคีดับความทุกข์ในทางใจได้เนาะเพราะนั้น <c> ก <oughs> ายธรรมนี่ก็คือเรามาศึกษาร่างกายจิตใจเราเนี่แหละแล้วก็หาทางดับทุกข์กันนะทางทางใจนี่แหละเราดับเขาได้นะมันก็จบสิ้นกันเนาะ <c oughs> ครั้นี้นะความทุกข์แ ท, ท้จริงคืออะไรนะมันไม่ใช่เพียงแค่ทุกข์ทางกายหรือใจในเท่านั้นนะนะเป็นเรื่องปก ต, ติธรรมดาอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าความทุกข์แท้จริงก็คือสังสารวัตรนี่แหละ <c oughs> สังสารวัตที่พระเจ้าที่ทรงอยู่ในอ่าในปราสาทนะหรือในพระราชวังสามฤ ด, ดนะูมีพระมเหสีทีงดงามมีพระราชกุมารที่น่ารัก <c oughs> มีราชสมบัติรออยู่ข้างหน้าแล้วนะ แต่ว่าเหตุใดถึ ง, งทรงทิ้งมาเพราะว่าเห็นมาสิ่งเหล่านั้นมันมันเป็นของปลอมใช่ไหมเมื่อใดที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นแหละคือความทุกข์ที่แท้จริงนะทรงเห็นสิ่งเหลนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนเราเห็นเป็นเรื่องธรรมด า, นะ า, มรรมดาแต่ท่านไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เพราะนั้นท่านก็เลยหาทางจากความทุกข์นะก็เลยสแสวงหาธรรมจนสามารถเข้าสู่ความเป็นพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าได้ในการที่เรียกว่าออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนาะ อันนี้ก็คือภายในสังสารวัตน์นี่แหละเมื่อตาบใดที่เรายังมีกิเลสนในใจเรานะเหมือนกับต้นไม้นะสูงสา <c oughs> มสิบเมตรเนี่ก เ, เกิดจาก <c oughs> มเมล็ดพันธุ์เล็กๆ เ, เพียงมเมล็ดเดียวซึ่งมีเชื้ออยู่เมื่อตกไปในพื้นดินที่ดมสมบูรณ์ได้ก็ย่อมจะเตริอนเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันไดนะจินเราที่มีกิเลสในใจเราแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเวียนบ่ายตายเกิดนะับพร่มน้ชาไม่ถ้วนนะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุแห่งการเกิด มีเชื้ออยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว <c oughs> การบัตรทำนะการที่เจ้าจากความทุกข์ได้นั้นก็คือการดับเชื้อของกิลเลสใ น, ในใจนั่นเองนะเชื้อ <c oughs> ในใจก็มีสาเหตุจากหลักใหญ่อยู่เพียงสามอาการเท่านั้นก็คือความโลภความโกรธและความหลงนี่เองนะอันนี้คือเชื้อที่อยู่ในใจเราเนาะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะเราจึงต้องหาทางที่เรียกว่าจะทําให้กิลเลสในใจเราเนี่ยเขาลดน้อยลงได้อย่างไรนะ ครันะ้นี้เราจะทําให้เขาลดน้อยลงเนี่ยมันประการสําคัญก็คือเราต้องรู้ทันนะการรู้ทันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะถ้าเราไม่รู้ทันกินเลยนะมันไม่มีทางที่เอโอกาสที่จะจัดการเขาได้เลยนะเพราะเราไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมบางคนกว่าจะรู้ก็สายไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเรากว่าจะรู้ทันเนี่ยมันก็เข้ามาในลมต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้นะเราก็ไปติดอยู่ในลมเหล่านั้นหลายๆวันนะเช่นความโกรธ บางทีเกิดมาเราเรารู้ไม่ทัน <c oughs> ก็กลายเป็นความอาฆาตพยาบาทการจองเวรไปหน้านี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันน่ากลัวสําหรับคนที่ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้หนทาง <c oughs> ไม่รู้หนทางของกิเลสนะก็เลยไปจมในกองกิเลสแล้วก็ไปติดในกองกิเลสเหล่านั้นนะมีความโกรธก็ไปติดอยู่นั้นนะไม่ยอมเลิกไม่ยอมหนายไม่ยอมออกจากนั้นนะมีความโลภไปหลงในตรงนั้นนะอนะ <c oughs> อย่างที่ว่านะความโลภมันไม่เคยพอหรอกคนรวยนะไม่มีการพอร <c oughs> วยเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเขามีความโลภนะอันนี้คือการติดอยู่นะนี่ยนี่คือภายในสังสวัสทั้งนั้นเลยคนหลงเหมือนกันนะหลงในไม่รู้ว่ากําลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าขณะนี้ร่างกายจิตใจเป็นอย่างไรนะไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันร่างกายเรานี่แหละคือการหลงไปนะอันนี้เรียกว่า นํใเรานะเวียนว่ายตายเกิดนะํดาคุนไม่ใช่ไม่ท่วนแล้วคนเราก็ชอบเป็นแบบนี้นะคือมันหลงตลอดชีวิตก็กไม่รู้กันเนาะบางทีเราเดินก็ไม่รู้กำลังเดินใช่ไหมเดินเราก็แทนที่จะกลับมารู้การเดินแล้วก็คิดไปละเออจะไปทํางานทันไหมนะรถจะติดไหมงานเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีนะพรุ่งนี้ไปคุยกับเพื่อนดีกว่าเนาะเมื่อกี้ปิดไฟหรือ ย, ยังเห็นว่ามันเดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับ ตรงการเดินนี่เลยแต่ว่าไหลเข้าไปในความคิดตลอดใช่ไหมอนาคตอดีตเข้ามาเพียบเนาะ <c oughs> แต่ว่าไม่เคยรู้กํากลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันหลงทั้งนั้นเลยนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับความจริงนะก็คือเราหลงมาตลอดชีวิตนั่นเองเนาะนี่เป็นเหตุนําเราเวียนว่ายตายเกิ ด, กดนับพมนับชาไม่ทื่อใช่ไหมครนะนี้พระเจ้านี่ท่านบอกว่าอย่างไรนะท่านต้องการให้เราแก้ความหลงในตรงนี้ให้ได้ก่อนนะความหลงที่เราไม่รู้เนะ่ยว่ากําลังทําอะไรอยู่เนะี่ย เพระนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยพูดแสดงไว้ในสติปฐานสี่นะแบอบกว่า <c oughs> ในในข้อกายนะมีกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละท่านก็ให้กลับมารู้นะในอีบทใหญ่ว่า <c oughs> ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนะก็คือกลับมารู้ไหมขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เนาะถ้าตอนนี้เรารู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่เราก็ได้ปฏิบัติทแล้วใช่ไหมคือกลับกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะ เพราะนั้นหลักทาสําคัญของพระเจ้านี่ไม่ได้ออกไปไกลนะไม่ได้กลจากตัวตนเรานี่เลยท่านให้กลับมารู้ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองใช่ไม้มไม่ได้ว่าต้องไปรู้สิ่ ง, งต่างๆภายนอกนั้นไม่จําเป็นเพราะการแก้ทุกข์มันต้องแก้ที่กายและใจเรานะกายและใจเราเนี่ยคือสายเห็นการทุกข์เพราะนั้นต้องมาแก้ที่กายและใจเราวิธีการแก้ก็คือ กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะโดยเพราะท่านก็เสริมอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็คือสมยยามัญญจ้าบอกพระบอกว่าเหลียวซ้ายแดแ่าขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังขาติดื่มลิ้มกินเคีย้ยวอุจระปัสสาวะก็ให้รู้สึกตัวว่าขณะ น, นั้นกํลาลังทําอะไรอยู่เนาะก็คือให้กลับมารู้ว่าอิบทย่อยต่างๆนี้เรากำลังทําอะไรอยู่เนาะตอนนี้ถ้าเราพลิกมือคว่ำพลิกมือหงาย หรือยกมือซ้ายยังว่าเรารู้รู้สึกไหมนะกำลังทํานี้เรารู้สึกไหมใช่ไหมนะกลับมารู้ในปัจจุบันนี้ที่เรากําลังทำอะไรอยู่นั่นเองใช่ไหมปกติเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเราก็ทานอาหารไปแล้วก็หลงไปในรสชาติอาหารเราก็คิดไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะกวาดบ้านแล้วก็คิดไปเรื่องอื่นใช่ไหมคือเราจะไม่ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นการที่เรา <c oughs> กลับมาอยู่ปัจจุบันนี้แหละ <c oughs> จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ากลับมาอยู่กับขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นะอมันก็ที่เมื่อาวานเราสวดพัฒเตกรตัตตะไปแล้วนะที่บอกว่าสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้นไม่งวนงนันคลอนแคลนเราควรพออพูนอาการเช่นนั้นไวไหมายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือปัจจุบันนี้แหละอะไรที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยเราก็พ่อพูนตรงนั้นก็คือให้เรารู้ในตรงนั้นบ่อยๆใช่ไหม เมื่อเรากลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี้เราจะกลับมารู้สึกตัวได้เนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะประเด็นสําคัญหรือคีย์เวิร์ดก็คือเราอยู่ปัจจุบันไหมนะเช่นขณะ น, นี้ถ้าเรากําลังสร้างอย่างบะอยู่นะเรารู้ไหมว่าเรากาลังสร้างอย่างบะเนะี่ยตรงนี้สําคัญมากกว่าใช่ไหมว่าเรารู้ไหมว่ากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมถ้าเรากาลังสร้างอย่างบะอยู่ก็จริงแต่ในหนาเดียวกันแล้วก็คิดไปเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ อันนี้ก็คือไม่รู้สึกตัวนั่นเองนะเพราะฉะมันมีว่าขณะนี้เรารู้ไหมว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมกำลังนั่งเรารู้ไหมกําลังนั่งกําลังสร้างอยู่บ้างรู้ไหมกำลังส pues, ร้างอยู่า้าะหรือกําลังได้ยินนี่รู้ไหมว่ากําลังได้ยินเนาะมันคือขณะปัจจุบันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองว่าเรารู้ไหมขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นมาในกายและใจเรานะ ถ, า nenhum, นะถ้าใจเรากลับมารับรู้การเคลื่อนไหวนะการสร้างอยู่บ้างกลับมารับรู้การพลิกมือกลับรับรู้การได้ยิน แค่กลับารับรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่นะกำลังเกิด อ, อะไรขึ้นในกายและใจเราแล้วนี่แหละมันก็เป็นการที่แล้ว่าเรารู้สึกแล้วว่าขณะนี้กาลังทำอะอยู่นี่แหละคือความรู้สึกตัวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราว่าอ่าใหม่ๆนี่กายขึ้นไหวเนี่อลารู้สึกไหมว่าขณะนี้กำลังนะทำอะไรอยู่เนาะกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันนี่มันคือของจริงนะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของปลอมนะอันนี้ว่าทำไมมีของจริงของปลอมของปลอมของจริงมันหมายความว่าอะไรใช่ไหม อย่างเช่นตอนเนี้ยเรานั่งอยู่ใช่ไหมเราต้องคิดไหมว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมแต่นี่คือความจริงใช่ไหมความจริงก็คือมันแค่รู้นะมันไม่ต้องใส่ความคิด <c oughs> หรือเรากําลังยกมือสร้างหวัดต้องคิดไหมว่าอตอนนี้กลาลังยกมือหรือยกหนอมันไม่ต้องใส่ความคิดใช่ไหมเป็นการโต้รู้เท้งนั้นเองใช่ไหมหรือได้ยินเสียงต้องคิดไหมว่าขณะ น, นี้กําลังได้ยินหรือยินหนอแต่ว่านี่คือความจริงนี่เป็นอาศัยแค่ความรู้ไม่ต้องใส่ความคิดแต่อย่างใด นะคำบริกรรมใดๆหรือการนึกพูดใดๆในความคิดมันก็เป็นความคิดทางนั้นใช่เพราะนั้นการที่เราคิดนี่แหละมันคือการที่เราหลงไปแล้วนะหลงไปแล้วว่าเราคิดไปแล้วแต่เราไม่ได้กลับมารู้แทนใช่เพราะจริงๆเราก็หลงมาตลอดชีวิตอยู่แล้วใช่หหลงไปในความคิดอดีตอนาคตนั่นแหละแต่ว่าทำไมไม่กลับมารู้ใช่ไ นะเพราะนั้นการที่เราหลงไปนะความคิดจะมันมีสองอย่างคือการตั้งใจคิดอันนี้ไม่หลงนะแต่การที่มันคิดเองนั่นแหละคือการหลงแล้วมันก็หลงมาตลอดชีวิตแล้ว <c oughs> การที่จะเปลี่ยนความหลงมาเป็นความคู่ปรับของความหลงนั่นก็คือความรู้นั่นเองนะเมื่อเรารูมม้มันก็ไม่หลงเมื่อมันหลงมันก็ไม่รู้ใช่มเ <c oughs> พราะนั้นเราต้องศัยคู่ปรับในการที่เราเราต้องรู้นะเพราะนั้นการที่รู้ในปัจจุบันนี่แหละ มันคือความจริงเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ความคิดเลยนะมันแค่ศัยการรู้เท่านั้นเองอการเคลื่อนไหวแล้วไม่ต้องมปคิดอะไรเลยเราแค่เราแค่เคลื่อนไหวเราก็รู้แล้วใช่ไหมเพราะนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่แหละเป็นอาศัยความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความรู้แล้วมันจึงออกจากความคิดได้ใช่ไหมออกจากความคิดมาเป็นผู้รู้แทนมารู้แต่ในหนาเดียวกันเราก็ไม่ห้ามความคิดนะแต่เรากลับมารู้รู้ เมื่อเราสามารถรู้ในปัจจุบันแล้วเราจะรู้สึกว่า <c oughs> มีความคิดเราก็รู้ทันใช่ไหมมีความคิดเรารู้ทันเพราะว่ามันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันหลุดจากตัวรู้ไป <c oughs> หลุดจากความรู้ไปเราก็รู้ทันนะเพราะเรามีเครื่องรู้เป็นที่อาศัยเครื่องรู้เป็นวิหารธรรมนะเป็นเครื่องยุงจิตอาศัยตัวรู้เนี่ยนะรู้บ่อยรู้บ่อยนะรู้บ่อยนี่แหละมันเป็นเครื่องยุ่งจิตนะนี่คือความจริงความจริงก็คือเราอยู่ปัจจุบันนี่แหละ อาศัยตัวรู้เนี่ยออกจากความคิดได้นะมาอยู่ความจริงนี่แหละเพราะความจริงไม่ต้องใส่ความคิดใช่ไหมส่วนของความปลอมคืออะไรความปลอมก็คือเช่นเมื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรนะเมื่อวานนี้เราทําทานข้าวกับอะไรเนาะเราเราไม่คิดใช่ไหมเมื่อวานทานกับอะไรต้องไม่คิดแล้วนะหรือเย็นนี้เราจะทําอะไรก็ต้องไม่คิดใช่ไหมเดือนหน้าจะทําอะไรก็ไปคิด เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งนี้ก็คือไม่ใช่ความจริงในขณะนี้นั่นเองนะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในเดี๋ยวนี้นั่นแหละเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงจึงต้องอาศัยความคิดทั้งนั้นเลยนะแล้วเราก็อาศัยความคิดเนี่ยไปปรุงแต่งอีกมากมายนะเมื่อรู้ไม่ทันความคิดก็ไปปรุงแต่งต่อเยอะแยะนะปรุงแต่งเป็นความสุขความทุกข์เป็นความโกรธความเกลียดอีกมากมายใช่ไหมเพราะนี่คือความคิดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือ เ <c oughs> มื่อเราอยู่ออกับความจริงแล้วนะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะมันมีแต่ความรู้นะมันไม่ได้อาศัยความคิดแต่อย่างใดนะเราก็จะเป็นผู้เห็นความคิดไปนะ <c oughs> ประเด็นนี้หลวงหลวงปู่เทียนนะั่นก็ได้ได้ยืนยันเอาไว้นะบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนาะเพรา ะ, ะนั้นการที่เราสามารถเห็นความคิดได้เนี่ยมีมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะอื <c oughs> มันจะเห็นได้อย่างไรนะ อย่างเช่นถ้าเรามีสติแล้วนะมีความคิดแวบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถรู้ทันนะเพราะเรามีวิหารธรรมอยู่แล้วเป็นเครื่องรู้ปุ๊บมันหลุดออกไปมีความคิดประโลกรู้ทันนะรู้ทันปั๊บแล้วเป็นไงมันก็ความคิดที่มันไม่สําคัญนะเล็กๆน้อยนมันก็จะดับไปนะดับไปได้เลยแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันไม่ดับเราก็เห็นมันคิดได้นะเราจะเห็นแนละ้มันคิดเรื่องโู้นเรื่องนี้เราเราเห็นมันนะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราคิดถึงบ้านนะเราก็จะคิดได้ตอนนี้นะ ภรรยาเราลูกเราหรือคุณพ่อคุณแม่เรากำลังทำอะไรอยู่นะกลังทาอาหารนะลูกก็กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนแฟนก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะเดี๋ยวไปทำงานจะรถติดไหมนะจะไปเรียนหนังสือเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้นะช่วงนี้น ะ, ะ <c oughs> นั่นนี่ก็เรียกว่าเราเข้าไปในความคิดแล้วนะแต่เราเราคิดอตอนนี้ที่บ้านกำลังทำอะไรอยู่นะกำลังหุงข้าวเตรียมตัวทำอาหารเราปุ๊บเรารู้ทันโอ้ มันเรื่องเล็กๆก็น้อยมันก็ดับไปเลยนะแต่ถ้ามันยังคิดต่อเดี๋ยวลูกจะไปโรงเรียนอ่เดี๋ยวสามีจะไปส่งลูกที่โรงเรียนทันไหมเราเริ่มเห็นแล้วเออมันกาลังคิดเรื่องนี้นะมันกลับไปผู้เห็นความคิดเลยนะมันไม่ได้เข้าไปในความคิดแบบมันเมื่อก่อนแล้วนะมันเห็นแล้วกำลังคิดเมื่อไม่เห็นกำลังคิดปุ๊มันก็จะหยุดหยุด้เองนะมันก็ไม่ได้คิดต่อมากมายนะอันนี้การเริ่มเห็นความคิดแล้วครั้นี้เมื่อเริ่มเห็นความคิดแล้วนี่มีประโยชน์อย่างมหาศาลนะการนี้เราเริ่มเห็นความคิดเนี่ย หลวงพ่อเทียมบอกว่าผู้ใดที่เริ่มเห็นความคิดผู้นั้นจะได้ต้นทางของการปฏิธรรมนะเพราะว่าอะไรเพราะาเมื่อเราเห็นความคิดแล้ว <c oughs> เราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วยเนาะอารมณ์ต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงนะ่ยเช่นความโกรธนะเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นมันแต่จริงๆเราเริ่มเห็นแล้วนะเพราะว่าความโกรธเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดนั่นเองใช่ไหมความคิดนี่แหละ มันสําคัญมันไปปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆได้เนาะถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกนะเช่นเราขับรถไปนะรถมาปาดหน้าเราปั๊บเราก็คิดเราถ้าเรารู้เฉยๆนะรู้เฉยมันก็ไม่โกรธอะไรหรอกมันก็เรื่องธรรมดานะปาดหน้าเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่โกรธแต่เมื่อเราคิดเอ้ขับรถอย่างนี้นะนิสัยไม่ดีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อบรมหรือยังไงเนาะเมื่อกี้ไม่เบรกก็ชนแล้วนะอแล้วก็นึก นึกไม่ชอบใจไปเรื่อยๆมันก็มีความโกรธขึ้นมาทันทีเลยไหมหรือใครก็มาด่าแล้วน ะ, ะถ้าเรารู้เฉยเราก็ไม่โกรธหรอกแต่เมื่อใดที่เราคิดเอ๊ด่าทําไมนะเรื่องนี้ทำให้ต้องมาด่าเราใช่ไหมเราไม่ได้ทำผิดสักหน่อยด่าได้อย่างไรใช่ไหมอพอเราคิดปะมันจะโกรธทันทีเลยนะลองสังเกตนะอารมณ์อะไรมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะมันก็เกิดจากการที่เราไปคิดนั่นเองนะอะทุกอย่างนะตรงนี้เมื่อเรา <c oughs> รู้ทันแล้วนะเรารู้ทันเราดูมันเฉยๆนะมันก็ไม่โกรธไม่อะไรหรอกมันก็แค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถเห็นความคิดได้แล้วนะต่อไปเราก็รู้เฉยๆได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเราเห็นความคิดมันก็รู้เฉยๆไปรู้เฉยๆไปตรงเนี้ยมันมันออกจากอารมณต่างๆได้เร็วเ <c oughs> พราะฉะนั้นครูบาอาจารณ์นะลมพ่อเทียนลมมังคีนบอกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆได้ไหมใช่ไหมอันเนี้ยมันสําคัญมากเลยนะ แต่กว่าจะรู้เฉยๆรู้ซื้อๆได้มันต้องเห็นก่อนนะมันต้องไม่ใช่ว่าใครๆก็รู้เฉยๆได้หรอกนะแต่มันต้องเห็นความคิดให้ได้ก่อนเมื่อเห็นความคิดได้แล้วอินทร์ลมอะไรมานะอ่าใครมาด่าเราแล้วก็รู้เฉยๆรู้ซื้อๆได้ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าเออเรามีความคิดแล้วเรับรู้ทัน <c oughs> เราก็ด่าเราเราก็รู้เฉยๆได้มไหม <c oughs> หรือใครก็มาชมเรานะมาชมเรามาสรรเสริญเราเมื่อก่อนเราก็ยินดีเราก็พอใจ เราก็มีมีความดีใจในตรงนั้นนะอันนี้เป็นราคะเนาะแต่ตอนหลังนะเมื่อเราเห็นทันเออความคิดเราเห็นทันแล้วเราก็รู้ทันตอนนี้มันยินดีแล้วรู้ทันนะมันไม่ไม่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ยินดีใะมันก็ยินดีได้มันก็พอใจได้แต่เรารู้ทันแล้วขนาดนี้เราดีใจมันก็เห็นปุ๊บนะมันก็รู้เฉยๆได้นะมันรู้ซื่อเพราะอะไรมันมันเห็นแล้ว แต่ถ้าไม่เห็นแล้วมันก็ดีใจมันก็ติดก็ลิงโลดมีความเพลินเป็นอารมณ์เหล่านั้นใช่ไหมเนี่ยมันเรียกว่าตรงเนี้ยมันเข้าไปในอารมณ์แล้วใช่ไหมเข้าไปติดเข้าไปในรมแล้วตรงเนี้ยมันเป็นกิเลสตัณหาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเรารู้เฉยได้นะมันช่วยให้เราอสามารถที่จะรู้เฉยๆปุ๊บมันออกจากลมได้เลยนะมันมองเป็นมามองมันนะเป็นผู้ดูได้ใช่ไหมเมื่อรู้เฉยนะมันกลายเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นใช่ไหมเมื่อก่อนเราดูละครนะก็ ละครนีโอนางเอกนี่โดนตบนะเรามีความทุกข์มากเลยเทําไมตัวร้ายมันร้ายขนาดนี้นะเราก็โกรธมันโกรธเขาเลยน ะ, ะหรือดูฟุตบอลแล้วเนี่ยเชียร์ทีมชาติไทยนะโอ้เล่นแล้วทําไมเป็นแบบนี้นะเล่นแพ้เนี่ยเราก็มีความทุกข์มากนะเพราะเล่นชนะเราก็ดีใจมากเลยใช่ไหมอันนี้เราเป็ น, ปนผู้ดูใช่ไหมเป็นผู้ดูเขาใช่ไหม ไอ้ cioè, ไม่ใช่ น, นี้เราคือเข้าไปอินนะในตรงนั้นแล้วเราไม่เป็นผู้ดูมันนะเราเป็นผู้อินเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูละครหรือดูฟุตบอลนี่เราเป็นผู้ดูเฉยๆนะเออมันดีใจมันเสียใจเราก็รู้ไปมันไม่ใช่ไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจนะมันก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพรางั้นเราจะดูไปทําไมนะดูเราเออมันเสียใจเราก็รู้มันมันดีใจเราก็รู้อันนี้เป็นผู้ดูแลนะมันไม่ผู้เป็นถึงแม้มันจะดีใจมันเสียใจ แต่เราเห็นแล้วเออมันดีใจมันเสียใจนะเราเป็นผู้ดูมันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้นะออี๋หน่อยพอมันโกรธปุ๊บนะพอเรารู้เฉยๆปุ๊บมันก็เราเห็นมันโกรธนะเราก็เป็นผู้ดูความโกรธไปเลยน ะ, <Yeah. S 2> นะเราไม่ต้องไป <Man> เป็นผู้โกรธนะสมัยก่อนโกรธแล้วก็โกรธเขาแล้วก็ใครก็ามาด่าเราเราก็ด่าคอกกลับนะเป็นผู้อาฆาตพยบาบาทเนาะอันนั้นเป็นผู้เป็นนะแต่เพอเรารู้เฉยๆได้ลแล้วก็ดูไปเออความโกรธนะ <ông> เป็นแบบนี้นะเราก็ดูไปดูเฉยๆนั่นแหละ นะไม่เป็นผู้เป็นนะมั้ยตรงนี้เราก็ออกจากความทุกข์ได้ใช่ไหมเนะีโดยวิธีการนี้นะกิเลสมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงไปทุกวันนะเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสมันไม่ได้กลัวอะไรเลยมันกลัวการรู้ทันเท่านั้นเองใช่ไหมมันกลัวการรู้ทันเนาะเหมือนกับ เ, เราเป็นห้างเจ้าของห้างสปปินค้าแห่งหนึ่งนะมันจะมีคนเข้ามาขโมยของในห้างเราเป็นประจำนะมันก็ของหายนู่นหายนีนะ่เราไม่รู้ว่าใครขโมยเราก็มีความทุกข์มากใช่ไหม น, นี้มีวันหนึ่งเราก็เห็นเอผู้ชายคนนี้นะ้าท่าทางหลอกหลักเลียวซ้ายแลขวากระเป๋าก็มันก็มีอะไรตรงๆอยู่นะเราก็เลยมองหน้ามองหน้าเขาเขาเห็นเรามองหน้าปุ๊บเขาสงสัยเขารู้จักเราเป็นขโมยมรีบหนีจากร้านเราเลยนะอ่าครา้ น, นี้อีกสามวันเขาก็มาใหม่ก็นึกว่าเราลืมไปแล้วพอเ้ามาในร้านเราปุ๊บเรามองหน้าเขาปุ๊บเ้าเห็นเราเนึกว่าจําได้เขาหนีไปทันทีเลยนะออกจากร้านเราทันทีครั้นี้เดือนหนึ่งเขาก็มาใหม่แล้วน่กว่าเราลืมไปแล้วนะ พอาวเราเราจำหน้าได้เรามองปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเราจำหน้าได้เขาออกจากร้านเราทันทีเลยไปเลยนะครันนี้ต้องรอปีหนึ่งค่อยมาใหม่น ะ, ะนึกว่าเราลื ม, มแล้วเพราะเข้ามาถ้าเราจำได้เขาหนีไปอีกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ <c oughs> กิเลสก็เหมือนกันนะตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไรที่เราเริ่มรู้ทันกิเลสนะเริ่มรู้ทันจิตใจเราเริ่มรู้ทันความโกรธความโลภความหลงต่างๆเ่านี้เป็นต้นนะ เมื่อรู้ทันปั๊บเขาอยู่ในใจเราต่อได้ไหมเขาก็อยู่ได้นะแต่อยู่ไม่นานในชะ่ไหมอ่าเขามาได้ไหมเขาก็มาได้นะแต่ว่าเขามามาไม่ไม่ถีแบบสมัยก่อนแล้วนะสมัยก่อนเราอาจจะกดวันละ2องลำขนนะแต่เมื่อเรารู้ทันมันจะเริ่มน้อยลงความกดจะเหลือแค่ขนเดียวนะหรือรู้ทันบ่อยๆแล้วมันจะ 3- าี่วันค่อยกดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเพราะมันจะเริ่มเบาลงเริ่มลดลงเพราะว่ะไรพราะมันอยู่ในใจเราไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่สมัยก่อนนะมันอยู่ในใจเราบ่อยๆใช่ไหมเหมือนกับว่า ขโมยเนี่ยมันมันไม่รู้มันรู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นขโมยมันก็เข้ามาขโมยของเราบางทีขโมยต้องหลายครั้งนะเข้าเขา้าออกเนี่ยเราก็ไม่รู้มันก็เออไม่รู้ว่าใครเป็นขโมยเรากมมมม็มีความทุกข์ตลอดมันก็เลยน่ในใจเราตลอดนะ أ, เที่ยวมาขโมยของในห้างเรานี่แหละใช่ไหมเพราะฉนั umu. ้นเราก็มีความทุกข์มาตลอดใช่ไหมเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวชาเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหึงหวงอะไรทั้งหลายแหละเป็นประจำใช่ไหม เนี่ยคือจิตใจเราไม่เป็นแบบนี้เองนะขึ้นขึ้นลงลงเราไม่รู้ทันมันก็อาศัยตรงเนี้ยมาขโมยของในใจใจเราทําเราทุกข์ใจมัมจนจํานะเมื่อเรารู้ทันมันก็ออกไปมันอยู่ไม่ได้นานหรอกแต่มันก็เข้ามาใหม่นะมันไม่ชไม่เข้ามาแต่เราจํามันได้นะมันก็ออกไปเร็วขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้ฝังใจเรารสมัยก่อนใช่ไหมมันก็เลยน้อยลงเบาลงนี่แหละจากการที่ตรงนี้นะเราก็จะกลายเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นต่อต่อไปนะ หลังนมันก็จะเป็นว่าเออมันก็ไม่เป็นอะไรกับไรเขาแล้วนะอหลวงพ่อคําเก่นบอกไม่เป็นอะไรกับไรนี่แหละตัวนี้มันสําคัญมากนะเมื่อมันเข้าใจแล้วก็ดูมันไปนะมันก็อีกหน่อยเราก็เห็นว่าเอความโกรธนะเมื่อเราเข้าใจแล้วเห็นความโกรธนะเราก็เห็นเออความโกรธนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันมาแล้วก็ไปนะมาแล้วก็ไปเหมือนกับความคิดนะถ้าสังเกตได้ความคิดมาแล้วก็ไปความคิดมาแล้วก็ไป ความรักมาแล้วไปความเกลียดมาแล้วไปมันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนถาบอลเลยใช่มเราเราก็บังคับเขาไม่ได้นะถ้าใครเห็นความคิดนี่จะเห็นว่าเราบังคับก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาคิดแล้วนะเดี๋ยวเขาคิดแล้วแล้วก็เห็นไปเดี๋ยวก็คิดแล้วเรายังไม่รู้นะทีอย่างหน้าไม่ยังคิดอะไรเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เขาคิดเองไม่ใช่เราคิดเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะความคิดมันทํางานเองไม่ใช่เราใช่ไหมหรือเมื่อเราปฏิบัติปฏิบัติทําไปหลายวันแล้วเราเห็นว่า เมื่อวานบางทีมันปฏิบัติดีนะเมื่อวานก็รู้สึกตัวดีทําไมวันนี้มันไม่รู้สึกตัวดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มันนะอะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงนะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมสมัยก่อนเราเคยไปฏิบัติธรรมมาแล้วนะอบางวันนั่งสมาธิมันดีมากเลยนะวันนี้อยากจะให้สงบเหมือนเมื่อวานแล้วมันก็ไม่สงบเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมนะมีความทุกข์มากหรือว่าเราเป็นนักเจริญติ๊กเหมือนกันนะเคยเจริญติ๊มาก่อนแล้วแล้วก็ ต้องหลายปีแล้วทำไมมันไม่มดีทาวอนสักทีงนะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์มากใช่ไหมอันนี้เราไม่เข้าใจความจริงนะความจริงก็เพราะว่าเขาแสดงมาไตาลักษต่างหาใช่ไหมถ้าเราเข้าใจว่าเขาแสดงมาไตาลักอันนี้มันเกิดปัญญาเลยน ะ, ะคือการปฏิธรรทุกอย่างนะไม่ว่าจะวิธีการอะไรก็แล้วแต่มันเพื่อเห็นไตลักษเท่านั้นเองใช่ไหมให้เห็นว่าเนี่ยมันมีแต่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาไม่ให้ตัวไม่ตนนะมันต้องเข้ามาเห็นตรงนี้นะ <C oughs> เพราะว่าอะไรเพื่อเราไปบัตรทำแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องเอาไปลอดีนะไม่ไม่ต้องไปเอาดีหลวงพ่อเทียมบอกว่าอยากยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็คือไม่ต้องไปเอาดีเขา <c oughs> แต่ว่าให้เราเห็นความจริงได้ไหมนะเห็นความจริงว่าเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ดีนั่นเองนะอ่าเราไมไ่เอาดีนะเขาจะแดงความจริงว่าเขาก็ไม่ดีได้ใช่ไหมบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็แย่ใช่ไหมบางครั้งก็เลวบางครั้งก็เสียหายนะ มีแต่ความไม่ดีทั้งนั้นเลยนะอะมันกลับมาเรียนรู้ความจริงดีกว่าใช่ไหมไ ม, ไม่ได้ปฏิบัตรทำอะไรเรากลับมาเรียนรู้ความจริงใช่ไหมเมื่อเราเรียนรู้ความจริงจะรู้ว่าโอ้มันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วนะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีใช่ไหมบางครั้งมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีมันก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั่นเมืมอม่อเห็นตรงนี้ไปบ่อยนะจิตมันก็จะได้สรุปมันได้เองเลยว่านี่แหละเมื่อมันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันก็จริงไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ตัวไม่ตนนของเราะ เราเป็นแค่ผู้ดูมันเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ออกจากความเป็นตัวตนได้ใช่ไหมเราเห็นโอ้มันทํางานเองทั้งนั้นเลยนะความคิดก็ทํางานเองความกลัว ก, ก็ทํางานเองความรักก็ทํางานเองใช่ไหมถ้าเราบังคับได้เนี่ยบังคับได้ไหมให้มันหยุดคิดสัก5นาทีได้ไหมก็ไม่ไดนะ้นาทียังน่าจะคิดอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมความรักดีนะอยู่กับเรานานๆได้ไหมก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหะ ความโกรธไม่ดีนะอย่ากเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อเราเห็นอารมณ์เหล่านี้ได้บ่อยๆเราก็จะรู้รู้ทันได้บ่อยๆนะว่าไอ้พวกนี้นะเราบังคับเขาไม่ได้เลยนะเมื่อบังคับเขาไม่ได้เขาจึกไปของเขาเองใช่ไหมเพราะความโกรธก็คือเขาโกรธเองไม่ใช่เราโกรธนะความรักก็คือเขารักเองไม่ใช่เรารักใช่ไหมตรงนี้มันเป็นการทํางานโดยเรียกว่าตามเหตุตามปัจจัยนะเรียกว่า ทำงานตามปฏิจจสม บ, บาทนะมันเป็นกระบวนการของทางจิตใจนะอันนี้เดี๋ยวไล่ตรงกลางๆนิดนึงให้ฟังแล้วกันว่าเมื่อมีสลายจัตนะคือคือมีอตาหูจมลิ้นกายแล้วนะมันก็จะกระทบรูปใช่ไหมกระทบรูปกระทบเสียงก็จะเกิดเวทนาขึ้นมานะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานะตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานปัจจัยเกิดพบพบเปปัจจัยเกิดชาติชร า, ามรณะ ต่างๆ ต, ต, ต, ตามมาใช่ไหมนี่คือกระบวนการทํางานของใจนะนะเมื่อเช่นหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่เพลาะก็เกิดเวทนาขึ้นมานะคือความทุกข์ความไม่พอใจนะเกิดความทุกข์กิดเวทนาก็เกิดตัณหานะคือการทยานอย่างในลมเหล่านั้นแล้วก็เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดพบเกิดชันนี่เป็นกระบวนการของใจที่เขาทางานเขาเองนะไม่ใช่เราใช่ไหมตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วมันทํางานเองนะ มันก็คือทํางานตามปฏิจจตบูบานะัวเองก็คือมันทำงานทำงานตามกระบวนการไปเมื่อมีเหตุนี้ก็มีผลเช่นนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจโอ้นี่พอมันทํางานเองปุ๊บเราก็ว่านี่เราเป็นเราเราโกรธเราลักเราชางังกลายมันตัวเราตลอดเลยนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของใจที่เขาทํางานเองนะทํางานตามกระบวนการของเขาเองนะเรากลับมาดูโอ้ใจมันทางานมั น, นเองนะเราก็กลายเปผู้ดูใจไปเนะมื่อเห็นเช่นนี้เราใจทํางานเองนะมันก็คือใจมันไม่ใช่เรา สิงไหนที่เขาทางานงก็ไม่ใช่เรานะเราก็ดูเข้าไปนะดูใจทํางานดูใจเขาโกรธเขารักเขาชังไปนะตรงเนี้ยนี่แหละเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็เกิดความเข้าใจว่าเนี่ยกายใจไม่ตัวไม่ตนของเรามันก็ออกออกจากการยึดมั่นถือมั่นในตรงนี้ได้เป็นของเรานะมันก็เข้ามาสู่ที่เมื่อกี้ได้บอกตอนแรกแล้วว่า <c oughs> ทุกข์เกิดจากอุปทานในขันทั้ง5้านั่นเองนะว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5งนะ้ า, อออานั่ น, นแหละคือตัวทุกขนะ์อุปทานขันก็คือเราไปยึดว่านี่แหละคือกายและใจของเรา แต่มใดที um problem, ok ่เราใจเริ ety, ่มคลายแล้วจากการยึดติดในกายและใจก็เป็นของเราแล้วความทุกข์จริงๆอย่างแท้จริงมันจะลดลงนะความทุกข์ที่ลดลงที่แท้จริงคือการละจากการยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้เราเป็นของเรานะเมื่อมันเริ่มละตรงนี้แล้วคือการละสักกายตินั่นเองการละสักกายตินี่มีประโยชน์มากเพราะว่าความเป็นพระโสดาบันนั้นเริ่มต้นขั้นแรกหรือว่า สังโยต์ตัวแรกด้วยการละสักกิจตินั่นเองนะละสักกิจติก็คือละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี่แหละว่าเป็นของเราเมื่อสามารถล ะ, ะด่านแรกนี้ได้ด่านต่อไปง่ายนะด่านต่อไปนี่ไม่ยากเลยคือวิจิตรฉาคือความลังเลสงสัยต่างๆในคําสอนพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้เราก็ไม่สงสัยด่านที่สามก็คือาาศีลปฏตปารมาก็คือการที่เราไปยึดติดสิ่งเงือนว่าเป็นทิพยพึ่งแทนพระ ต, ตรัยเนาะ แล้วก็เราก็ต้องมีศีลหเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นด่านแรกคือศักการะถิ่นเนี่ยเมื่อเรารักได้แล้วอีกสองข้อก็ไม่ยากนะเมื่อเราลกตรงนี้ได้3ข้อก็เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันนี่มีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าทําให้เราเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจชาติหลังนะั้นเราก็เข้าสู่พรนิพพานเนาะอันนี้เป็นหนทางการดําเนินสู่การพ้นทุกข์ได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบรารมีขุนพระไตรน้อนมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญา และถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพระทุกท่านเทิน